อรุณสวัสดิค์ค่ะท่านผู้ฟังคะ่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะขอนํารายการธรรมรับรุณกลับมาพบ ก, กับท่านผู้ฟังกันเหมเช่นเคยคะ่ะทุกๆเช้าตั้งแต่เปิดสถานีนะคะตีห้สิ้นตีห้าครึ่งเราก็จะนําเสนอรายการธรรมรับรุณให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังให้เป็นที่สบายใจแล้วก็เป็นการเริ่มต้นวันดีๆกันนะคะ และในทุกๆเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์นั้นจากการบรรยายธรรมะตามปกติในเรื่องหัวข้อต่างๆ ต, ตามที่พระอาจารย์ซึ่งท่านเป็นพระอาจารย์องค์ปารถประจํารายการธรรมรับอรุณก็คือพระอาจารย์แพทยบุญอภิปุญโนแห่งวัดป่าดอนหายโูกตําบลดอนหายสูกอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีท่านได้มาพูดคุยแล้วก็ชี้แจงแสดงธรรมให้ผู้ฟังได้รับฟังแล้วก็ซาบซึ้งใน ให้ทาคําสอนหรือพุทธเจชนะของ อ, องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์ดิฉันก็จะได้มีโอกาสที่จะมาพูดคุยสนทนาเรียกว่าสากาักฉากับท่านพระอาจารย์ภัยบุญอภิปุโนค่ะซึ่งท่านที่เป็นแฟนประจํารายการก็คงจะรับทราบกันดีนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์แรกของเดือนกุมภาพันธ์นะค ะ, ะปีพุทธศตวรรษ2555ค่ะเป็นวันเสาร์ที่4กุมภาพันธ์ 2,555 วันนี้เป็นวันขึ้น12คำ่ำเดือน3นะคะก็เป็นปีมะโรงหรือว่าปีมังกรทองนั่นเองนะคะค่ะพอเราเข้ามาสู่เดือนกุมภาพันธ์นั้นเนี่ยยันคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านส่วนใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นบรรดาน้องๆเยาวชนทั้งหลายนะคะก็คงจะทราบกันดีว่าในทุกๆเดือนกุมภาพันธ์นั้นเนี่ยทางฝั่งประเทศตะวันตกเขาก็จะ ถือว่าเป็นเดือนที่เป็นเดือนของความรักเพราะว่าวันที่14เป็นผาพันธ์ก็เป็นวันที่เป็นวันแห่งความรักหรือวันที่ระลึกถึงเซนต์วาเลนไทน์ของทางส่วนตกเขานะคะดังนั้นรายการธรรมราปุรุณมาพบท่านผู้ฟังในเช้าวันเสาร์แรกของเดือนตุลาพันธ์ดิฉันก็อยากจะขอนําท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์ภับูรณอภิพุนโนพระอาจารย์ของเราค่ะซึ่งท่านก็เป็นลูกศิษย์เอกของพระเดชพระภูห ล, ลงพ่อดออรสะอา ที่ตภวาสูหรือท่านพระครูสิทธิปภากรนะคะท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศกตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีค่ะก็ข อ, ข อ, อนําท่านผู้ฟังา ม, มากราบน้มสักการพระอาจารย์ไพบุญอภิภูโนโพร้อมกันเลยนะคะกราบน้อมสักการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาเชยพานสาธุเจ้าค่ะอย่างเช่นที่โยมเกล็นนะเจ้าค่ะว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ทางฝั่งตะวันตกเขาก็ถือว่าวันที่สิกุมภาพันธ์นั้นเป็นวันแห่งความรัก ดังนั้นเช้าวันนี้โยมอยากจะขออนุญาตที่จ ะ, ะกราบเรียนสกักษาหรือว่าเรียนสนทนาธรรมะเกี <sk r. S 1> ่ยวกับหัวข้อของความรักดิมเมจคะว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ทรงสั่งส อ, สอนเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะให้มนุษย์เรานะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเพื่อนผู้ร่วม เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันนี่ค่ะในสังสารวัตนี้เนี่ยให้มีความรักความเมตตาอกันอย่างไรบ้างเจ้าค่ะกราบนระมศการเจ้าค่ะโอ้ความรักกวาเมตตานี่ต้องมีให้กันมากๆเลยพระพุชธเาเคยพูดถึงคนที่มีความรักความเมตตานี่คือคือความรักเนี่ยนะต้องทําความเข้าใจกับคุณเตือนใจแล้วก็ท่านผู้ฟังนิดหนึ่งว่าคนทั่วไปจะเข้าใจเรื่องของความรักเนี่ยเป็นเรื่องของความรักใคงมันเรื่องของหญิงสาวอะไรอย่างเงี้ยนะ หิสาวชายหนุ่มอย่างนี้ใช่ไหม <Okay. S 1> แต่ว่าความความรักที่พระพุทธเจ้าพูดถึงนี่มันกินความกว้างมากมันกินความาถ้าเราจะพูดถึงเรื่องว่าความรักที่เกิดจากกามนั่นคือตาหูจมูกลิ้นกายเห็นสิ่งที่เป็นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วเราจึงรักเขาอย่างเขามีรูปอย่างนี้เราจึงรักเขาเขามีเสียงอย่างนี้เราจึงรักเขาอานี้ไอ้พวกนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นความสุขทางกาม นะใช้คำ ว, ว่าการมาสุขหรือการมาคุณซึ่งเรื่องการนี้ไม่ให้เสพนะทําให้น้อยๆอย่าทําให้มากอย่าทําให้เจริญนั่นะคือความรักที่เกิดจากทางการเนี่ยอย่าให้มีนะบ้างกันเถอะแต่ความรักนะที่เป็นความรักความเมตตาอย่างเช่นแม่รักลูกอย่างเงี้ยอันนี้ควรทําให้มากทําให้เจริญนะเหมือนกับมารดาที่คลอดบุตรออกมาคนเดียวใช่ไหมก็จะรักถนอมบุตรคนเดียวเนี่ย ด้วยชีวิตของตัวเองเออความรักอย่างนี้เราควรจะแผ่ไปยังสัตว์ทุกตัวคนทุกคนนะสิ่งทุกสิ่งให้มีความออรักความเมตตายอย่างนี้เราพูดถึงความรักความรักนะคุณเตือนใจ ม, น ม, นมันพูดง่ายนะเราอยู่ในสถานีไปเทียุอย่างเงี้ยเออทุกคนรักการทุกคนออปรารถนาดีต่อกันนะเฮ่เฮ่พูดได้นะคุณเตใจได้บอกไหมแต่พออยู่ในสถานการณ์จริง ด่ากันของไม่มีกินแย่งกันนะคนนี้ต้องการอย่างนี้ดาขึ้นเวทีคนนี้เห็นอย่างนั้นไม่ไม่เอาด้วยดาว่าโอ้โหจะให้มีความรักกับคนปน็ประเภทนี้ไหวเหรอใช่ไหมตรงนี้แหละคือจะเป็นเครื่องทดสอบของเราจริงๆนะสนามจริงมันไม่เหมือนสนามซ้อมท่านผู้ฟังเลย เ, เวลาที่เราเจอตกเย็นสถ า, านการณ์เนี่ยโอ้โหมันเหมือนกับว่าอย่าไม่ต้องพูดถึงความรักเลยเอาแค่ว่า ฉันไม่ทำอะไรแกนี่มันก็บุญมากแล้วบางทีเองเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะ mm hmm. เ, เพราะฉะนั้นเราจึงต้องฝึกซอ้อมมาก่อนพระพุทธเจ้าบอกว่าไอ้เมตตานี่นะต้องทํามาแต่แรกมันคือเตรียมการไว้ก่อนเนยะอย่าไปทําตอนนั้นคือหมายว่าถ้าเขา เ, เจอเรื่องที่มันไม่ชอบมาพากลไม่ชอบใจแล้วเนี่ยคุณจะมาเจริญเมตตามันไม่ไหวเราคุณเดินใจแต mm hmm. พระพุทธเจ้าจึงบอกให้เตรียมการไว้ก่อนให้ทํามาแต่แรกทามาแต่แรกนี่ย ค, คุณทําก่อนนะ คุณทํามาก่อนเลยอย่างตื่นเช้าทุกเช้ า, อ ย, าอย่างครูบาอาจารย์อย่างว่าด็อกตร์สอาดเนี่ยท่านตื่นช้ามาปุ๊บเนี่เรียกท่านมาปุ๊บท่านจะนั่งสมาธิอยู่บนเตียงเลยพอลุกขึ้นมาปุ๊บนั่งสมาธิบนเตียงหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อแผ่เมตตานะให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย <Okay. S 1> ทํำยังไงเราก็กาหนดจิตไปนะส่งกระแสแห่งความรักความเมตตาไปสรรพสัตว์ทั้งปวงไล่ไปไล่ไปไล่ไ ป, ยไ ป, ยไปอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็คือการแผ่เมตตาละ่ะทำก่อนนะก่อนนอนก็ทํา ตื่นเชามา ก, ก็ทํานำะเวลาบ้างๆเราทําจิตให้เป็นแบบเป็นจิตมหากตะนะพระพุทธเจ้าใช้คําว่าจิตใหญ่หลวงเวลาเจอเรื่องที่ไม่ดีเกิดขึ้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเหมือนกับคนที่มีจิตเมตตาเนี่ยเหมือนกับน้ํามันมีมากอยู่แล้วคุณเตือนใจนีน้ออกม า, าอย่างน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยายอย่างเงี้ยหรือน้ําในทะเลทะเลอ่าไทยก็พอเ อ, อ้าถ้าเรามีน้ําเต็มอย่างนี้แล้วเนี่ยกุนจะไป เอาเอาเตาแก๊สมาหรือเอาไม่ขีดไฟเนี่ยจะมาต้มน้ําพวกนี้ให้มันเดือดนะเอาสมมุติไม่ขีดไฟเอามาสักกราดหนึ่งกุรุษหนึ่งเนี่ยเอามาจะจุดน้ำในแม่น้ําเจ้าพระยานะให้มันเดือดพร่านร้อนจัดขึ้นมาเนี่ยมันไม่สามารถทําได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณจะต้องมีน้ําอยู่ก่อนแล้วนะหรือเปรียบเทียบกับพื้นแผ่นดินเนี่ยมันมันเยอะมากเนี่ยเราจะเอาอจอบเสียมพุ้อเนี่ยมาขุดให้มันไม่เป็นแผ่นดินเนี่ยมันมันไม่ได้ แต่ต่อให้รถแมกโครมาทำก็ยังไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีจิตเนี่ยให้มีความเมตตาให้เหมือนกัะ น, น้ำทำจิตให้เหมือนน้ำทำจิตให้เหมือนดินนะคือไม่หวั่นไหวในสิ่งอะไรที่มากระทบตึกที่มันสูงร้อยชั้นสูงขนาดไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ยังตั้งอยู่บนดินได้ตั้งอยู่บนดินได้ดินก็ไม่สั่นสะเทือนสถานไปเพราะสิ่งที่มันถูกทับไว้แล้วมันก็ไม่เคยบ่นเคยว่ามันกันนะดินเนี่ยเออ ต่อให้เราเอาของหนักขนาดไหนไปวางใส่มันมันก็ยังสบายอยู่เพราะความที่มันเป็นดนนินเช่นเดียวกันคนที่มีจิตเต็มไปด้วยความรักความเมตตาเนี่ยเรื่องอะไรมากระทบเนี่ยก็สบายใจอยู่ได้นะคืออาจจะแก้ปัญหาไปตามระบบระเบียบที่มันควรจะเป็นนะนะแต่เรื่องของความสบายใจในใจเนี่ยเราก็ยังสบายอยู่ทีนี้ประเด็นในเรื่องของความรัก ความเมตตาตรงนี้พระพุทธเจ้าเคยบอกว่ า, อาพอเราทําไปทําไปทําไปแนะคุณเตือนใจจะมีข้อดีอยู่อยู่หลายอย่างทีเดียวแล้วก็เวลาที่เราทําไปเนี่ยจิตของเราอย่างน้อยเนี่ยก็จะเป็นจิตที่สบายละ่ะเป็นจิตที่ดีละ่ะบางคนจะไม่เห็นประโยชน์นะสมมุติทำไมฉันต้องเจริญเมตตาให้ด้วยคนแบบนี้แหม่ถ้าคนไม่ดีเนี่ยนะเรายิ่งควรจะต้องเจริญเมตตาอีกเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนนั้นเนี่ย จ ะ, ะไม่เป็นอันตรายกับเราคือหมายความว่าพระพุทธเจ้าเคยบอกว่าเวลาที่เราเจริญเมตตาแล้วเนี่ยนะก็จะเป็นที่รักของพวกมนุษย์หมายคนที่เราเจริญเมตตาไปเนี่ยเขาเห็นเราเนี่ยนะเขาก็จะแมจิตเป็นกุศลนะเหมือนกับเราเห็นคนที่เรารู้จักมักคุ้นกันมาเป็นเวลานานเห็นแล้วมันก็ยิ้มเลยเห็นแล้วมันก็สบายใจเลยลักษณะนี้เหมือนกันศัตรูเราเนี่ยพอเขาเห็นเราเนี่ยเขาก็จะสบายใจ คือเล่นฟังอาจจรือว่าคุณเตนใจจะมีประสบการณ์นะเวลาเราไปเจอใครสักคนในคนหนึ่งที่เราไม่เคยเจอมาก่อนหลือบางทีคนเนี้ยอมันไม่ชอบนะใช่ไหมหรือเอออีกคนหนึ่งเราเห็นว่าเออคนนี้แหมท่าทางดีเราอยากจะคบด้วยคุยด้วยนะเป็นเพราะว่ามันก็แล้วแต่บุคคลนั้นเขาทำยังไงแต่ถ้าเราเจริญเมตตาอยู่เรื่อยๆถูกชะตาใช่ไหมชะตาลักษณะนั้นนะนะคนที่ถูกชะตาก็มีคนที่เราไม่ถูกชะตาก็มีบางคนเนี่ยเห็นแล้ว ไม่ชอบหน้ามากๆเลยนะแค่ว่าเขาเขายิ้มยิ้มแบบนี่ฉันก็ไม่ชอบยิ้มเขายิ้มแแบบนี้มันคนเขาก็ยิ้มเป็นธรรมดาแล้วเร่อไปไม่ชอบเขาไนงะซึ่งอันนี้จะจะไม่ถูกหล่กแต่ถ้าเราทําจิตให้เป็นเมตตาแล้วเนี่ย เ, เรื่องปัญหาพวกนี้เราจะไม่เกิดเราจะมีแต่จิตที่เป็นความรักความเมตตาเพราะอะไรเพราะว่าคนที่เจริญเมตตาอยู่เป็นประจำเนี่ยหนึ่งในอาอ น, นิสงส์1ิอย่างเนี่ยก็จะทําให้เป็นผู้ที่ เป็นที่รักของพวกมนุษย์ทั้งหลายเป็นที่รักของพวกมนุษย์แม้แต่ศัตรูนะเราก็มีความรักมาเมตตา ก, กับเขาอยากจะให้เขาพ้นทุกพ้นทุกพ้นปัญหาจากที่เขามีคือศัตรูเนี่ยบางทีนะถ้าเราเกลียดอยากให้เขาตายอยากให้เขาแย่อยากให้เขาชิบหายอยากให้เขามีอันเป็นไปนะความคิดนี้ไม่ถูกเพราะอะไร uh huh. คิดอย่างนี้เนี่ยมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าผลย้อนกลับตัวเราเองเพราะว่าไอ้ความคิดที่อยากให้เขาชิบหายให้เขาตายให้เขา ไม่อยู่ให้เขามีอันเป็นไปให้เขามีความแบบชั่วช้าเลวซาเนี่ยนะยิ่งคนคนเราเราที่คนที่เราไม่ชอบใช่ไหมเรายิ่งอยากให้เขาชั่วมากขึ้นเนี่ยคุณคิดอย่างนี้นไม่ถูกเพราะว่าถ้าเขาชั่วมากขึ้นเมื่อไหร่นะเขาจะยิ่งสร้างความชั่วมากขึ้นถูกไหมเออแล้วไอ้จิตของเราที่อยากให้เขาเป็นคนชั่วอยากให้เขาเป็นคนไม่ดีเนี่ยจิตของเราตรงนี้มันไม่ดีนะคุณเตือนใจไม่เป็นจิตที่ไม่ดีมากมากอย่างตัวอย่างที่เราเคยพูดไปเมื่อ ช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาน่ยว่าเวลาน้ํามันท่วมน้ํามันเล ะ, เละ น, น, น้ํามันเน่าเน่าน้ำมันเหม็นมีทั้งโรคประคองอก็อย่าคุณยิ่งจะเอาอุจนาปัสสาวะไปล้างพวกนี้มันไม่ได้คุณต้องน้ําสะอาดเท่านั้นที่จะล้างในเช่นเดียวกันเวลาเจอคนที่ไม่ดีในสํานักงานเพื่อนร่วม ง, งานผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาคนนั้นคนนี้โอ้ยให้ออกของสะอาดล้างเอาของสาอานะอ า, อ, งสาอาดในที่นี้คือเอาจิตที่สะอาด อาจิตที่เต็มไปด้วยความรักความเมตตาเนี่ยอาบมันให้ทั่วเลยอาบไอคนนั้นน่ะด้วยความรักความเมตตานะอาบด้วยความอดทนก็ได้อย่างเมื่อสัปดาที่แเราพูดถึงเรื่องของความอดทนความรักให้เอ็นดูใช่ไหมสวนกลับไปเลยด้วยความอดทนบ้างอย่างพวกนี้ตรงนี้จะทําให้คนชั่วเนี่ยอย่างน้อยนํามันเห็นเรามันอาจจะดีกับเราบ้างนะแต่เขาไปชั่วคนอื่นเนี่ยก็ค่อยๆแก้ไปนะอันนี้อาจจะเป็นกรรมของเขาไม่ใช่ว่า แก้วันเดียวเราแผ่เมตตาให้ตอนเช้าตอนเย็นหวังมันจะเปลี่ยนโอ้โหมันคงยากเหมือนกันนะคนมันชั่วมากนะเราก็ต้องค่อยๆแก้ไปแล้วคุณเตือนใจเนาะคือว่าเราจะา ว, วิธีการที่เราจะต้องทําเนี่ยคือต้องมีความรักความเมตตาแตนะถ้าเราเมตตาไม่ไหวเราให้อดทนเรนะอดทนไม่ไหวอย่านะ้องอย่าบิดเบียนเขานะเวลาที่เราทําตามระบบนี้แล้วเนี่ยอย่างน้อยตัวเรานะไม่ไม่เสียความดีของตัวเราไป มเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดว่าขอให้เขาชิบหายนะไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอย่างน้อยกินข้าวขอให้มันไม่กินไม่อร่อยโอ้ยเราก็จิตแย่แล้วจิตเราแย่นะจิต่อเราเป็นจิตที่ไม่ดีเอายกตัวอย่างง่า ย, า ย, ายสมุติสมมาสมมุติเจ้าของเราตอนนั้นยังไม่บรรลุเป็นพระพุทธเจ้านะคุณจันใจหนาวหาตอนที่ก่อนที่จะบรรลุนะไปนั่งสมาธิอยู่ใช่ไหมหนาวมากทํำยังไงก็เลยไปหาหัวควายที่เขาหลุดออกมาจากคอก น, นะ วัวควายที่มันหลุดออกมาจากคอกก็ไปนะอยู่ด้วยคือคนที่หนาวๆเนี่ยชาวบ้านนี้จะทราบถ้าเราอยู่กับสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันจะมีความอุ่นขึ้นมาได้บ้างพระพุทธเจ้าก็ไปอยู่กับไอ้วัวควายที่มันหลุดออกมาจากคอกใช่ไหมไปอยู่ด้วยมันก็อุ่นขึ้นมานึง่งหนึงพอไปอยู่ด้วยแล้วเนี่ยไปนอนด้วยเลยคลุกอยู่กับวัวควายนั่นแหละนะ ต, ตอนนั้นยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ก็เลยมีเด็กเลี้ยงควายคนหนึ่งเด็กเลี้ยงวัวนะ เขาก็เดินตามหาควายมาไปเจอพระพุทธเจ้าตอนเป็นผู้ริษัทอยู่นะเอา้าพระเจ้าสินธะมานอนละอยู่นี้น้ะก็เลยฉี่ใส่ปัสสาวะใส่เลยแล้วก็เอาไม้เนี่ยแยงหูน่ะพระเจ้านอนหนาวอยู่คนเดียวเนี่ยก็ไม่บน่นไม่ว่าไม่ดา่านะไม่มีความคิดแม้ว่าเอ้ยไล่แต่เพื่อเด็กพวกนี้ไปเด็กพวกนี้มันทำไม่ถูกไล่ไปไล่ ไ, ล ไ, ลไปก็ไม่มีความคิดอย่างนั้นนะเพราะอะไรเพราะว่าหวังความที่จิตต้นเป็น สัมมาสัมโพธิญาณคือหวังความที่จะเป็นพระพุทธเจ้านี่ความจะเป็นพระพุทธเจ้านั้นจิตมันต้องอไม่มีความกังวลไม่มีความอาฆาตพยาบาทใดใดเลยแม้แต่เขาจะมาทําอย่างนี้ฉันก็ไม่อาฆาตเธอใ น, นลักษณะ น, นี้นี่คือจิตของคนที่จะหวังความเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นเราหวังอะไรอ่ะคุณตัวใจเราปฏิบัติอย่างนี้เราหวังอะไรเราหวังแค่ว่าจิตของเราเนี่ยให้สูงขึ้นคือเมื่อไหร่ที่เราคิดให้คนอื่นชิบหายเนี่ยนะ จิตของคุณต่ําลงทันทีนะเจ้าค่ะคุณเอาเมื่ออะไรไม่รู้ดาๆมาเปื้อนจิตแล้วนะจิตคุณก็จะเหม็นๆไอ้สิ่งที่ออกมาจากป่ากเนี่ยจะเริ่มเน่าละนะข้างในเราจิตเราเน่าใช่ไหมพอพูดออกมาอะไรลิ้นกรยับเนี่ยมันก็เริ่มเหม็นละนะเราก็ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราจะถือว่าปฏิบัติไม่ถูกนะจิตของเราจะต่ําลงทันทีจิตเราต่ําลงแล้วคนอื่นต่ําด้วยนะเ อ, อเราขอให้คุณอื่นต่ำเนี่ยจิตเราก็ต่ําไปด้วยนะเราด่าคนอื่นเนี่ยจิตเราก็ซุดลงนะ เราทําไม่เดียวคนอื่นเนี่ยจิตเราก็แย่ลงนะเพราะว่าจิตเราที่จะทําไม่ดีได้มันต้องน้อมไปในทางที่จะไม่ดีก่อนแต่พระเนรปรุชาเจ้าจึงพูดถึงแต่เรื่องสิ่งที่เป็นกุศลธรรมนะให้คุณทําสิ่งที่เป็นกุศลธรรมทีนี้มันจะมีปัญหาตรงที่ว่าเอ <c oughs> แล้วถ้าเราทําแต่เจอแต่เรื่องที่ไม่ดีไม่ดีในชีวิตเนี่ยแล้วเราจะแก้ยังไงดีใช่ไหมก่อนที่จะไปถึงจุดที่ว่าเราจะแก้ยังไงกับ เรื่องที่ไม่ดีหรือว่าคนที่ไม่ดีที่เ ข, าาเข้ามาในชีวิตเนี่ยจะขอรวบรวมอันนี้สอของการที่เราเจริญเมตตาตรงนี้ไว้สักหมด11อย่างที่เมื่อสักครู่พูดไปแค่อย่างเดียวคือที่ว่าเป็นที่รักของพวกมนุษย์ใช่ไหมนั่นเป็นึ่งใน11อย่างเท่านั้นเองทีนี้ทั้งหมด11อย่างเนี่ยพระพุทธเจ้าก็พูดถึงอย่างแรกเนี่ยคือหลับเป็นสุขนะหลับเป็นสุขนะ ใ, ใครที่ซื้อเตียงราคาสูงสูงเนี่ย คุณภาพดีๆมาเพื่อนอนเพื่อหวังว่าตัวเองจะได้นอนหลับดีนี่คุณใช้เมตตานี่แหละเป็นเครื่องมือในการที่จะทําให้เรานอนหลับได้นะอันนี้ก็จะเป็นผู้ที่หลับเป็นสุขเพระเจ้าเคยยกตัวอย่างเปรียบเทียบคุณติณชัยพูดถึงพระเจ้าประสิทธิโกศล น, นี่แหละพระเจ้าประสิทธิโกศลต น, นั้นก็มีความไม่สบายใจนะโกรธ เ, เครื่องแค้นนะครับพระเจ้าอาชาศัตรูหรือใครสักคนหนึ่งนี่แหละที่มาจะมาแย่งราชบัลลังก์ของตัวเองนะประมาณนี้ ก็เลยนอนไม่หลับนะพลิกซ้ายพลิกขวากังวลอยู่นั่นแหละลักษณะนีนะ้ก็เลยเป็นที่กังวลเกิดขึ้นต่อให้พระเจ้าก็เลยแนะนำให้นะแผ่เมตตาเนะจริญเมตตาอันดับที่สองเนี่ยก็จะทำให้เป็นผู้ที่ตื่นเป็นสุขนะใครที่เคยตกใจสะดุ้งตื่นฝันร้ายบ้างอะไรบ้างเนี่ยถ้าคุณเจริญเมตตาจะไม่เป็นนะ น, นี้จะมาคู่กันกับข้อที่3ามนะคือเป็นผู้ที่ไม่ฝันร้ายอ่านะ หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายอันนี้3ามอย่างแรกนะอย่างที่สีที่5้าที่มาด้วยกันคือเรื่องของจะเป็นที่รักของพวกมนุษย์แล้วก็จะเป็นที่รักของพวกอะมนุษย์นะคืออ่ะมนุษย์เนี่ยมีอะไรบ้างนะเทวดาเประเรใครกลัวผีใช่ไหมอา้าวคุณจเจริญเมตตาเลยนะคุณจเจริญเมตตาในลณะนี้นะผีก็จะเป็นที่รักของผีคือเป็นผีจะไม่ได้มาหาเราบางคนคิดว่าตัวเองเป็นที่รักของผี <laughs> ผีจะยิ่งมาหาเรา คือเขาจะไม่มารบกวนเรานะเขาจะไม่มาทําอันตรายให้เรานะต่อไปข้อที่ข้อที่หกพรพุทเจ้าจะพูดถึงความที่เทพยาดานะก็จะรักษาเทพยาดาเนี่ยหมายถึงอาจจะเป็นเทวดาที่ดูแลรักษาเรานั่นะคือคนปฏิบัติธรรมเนี่ยคุณเตือนใจจะมีเทวดาที่คอยรักษาเราอยู่มานะเทวดาที่จะคอยคุ้มครองรักษาให้มีความแคล้วคลาดนะนะตัวนี้ถ้าเราแผ้เมตตาอยู่เป็นประจํา นะเทวดาผู้นี้ก็จะรักษาเรา อ, อย่างที่เจ็ดน ะ, ะไฟก็ดียาพิษก็ดีสัตราก็ดีนะไม่ต้องบุคคล น, นั้นอันนี้หมายความว่าจะไม่ทําอันตรายเราได้จะแคล้วคล้าวอ่าเรียกว่าแคล้วคลาดไปนะแคแล้วคลาดแคล้วคลาดคือเรื่องไฟยาพิษสัตราคืออาวุธเนี่ยจะคล้วคลาดจากการทําอันตรายของเราได้ในสมัยพุทธกาลก็มีหลายเรื่องหลา ย, ลายราวเลยที่เป็นลักษณะนี้ตัวอย่างที่พระเจ้าได้ปฏิบัตินะก็คือเรื่องของช้าง นารัิรีที่ว่ามีช้างที่ตกมันเนี่ยเท ว, วทัตนี่ก็ได้วางแผนว่าให้ช้างตัวนี้มาฆ่าพระพุทธเจ้าพูดถึงสัตว์เดชานเขายังสามารถรับรู้ถึงกระแสความรักความเมตตา ก, ก็ไม่ทำลายได้พระพุทธเจ้าเคยถูกรอบลงพระชนใช่มมีนักฆ่าเนี่ยจะมาฆ่าพระพุทธเจ้าก็แผนเมตตาในเขาฟังทำได้มีพระสงฆ์สองสามรูปในที่ทำเสียงเออะเอออกเออ กระโตกกตากไม่โวยวายเป็นผู้ไม่สงบเนี่ยพระเจ้าก็ไล่หนีไปอย่ามาอยู่ต่อหน้ามันลำคาตานี่พอไล่หนีไปเสร็จปุ๊บพระอนนท์ก็เคยถามว่าจะทำยังไงช่วยเหลือพระสององค์นี้พริรชาวก็จึงแผ่เมตตาให้พระสององค์เนี้ยเข้ามาฟังธรรมะก็รู้เป็นอริยบุคคลได้ก็มีมีประโยชน์มากเลยข้อถัดไปจะทาให้จิตนี้ตั้งมั่นได้รวดเร็ว จิตตั้งมั่นได้รวดเร็วนี่ดีมากนะคุณเตนใจคือเวลาเราจะเข้าสมาธิมันเข้าวับเข้าวับเลยเลย mm hmm. นะมันมันทำให้จิตตั้งมัน่น mm hmm. ใช่แล้วคือความเมตตาเนี่ยเป็นเป็นบารฐานคือเหมีนมีอธิสฐามากจริงๆ่ะข้อถัดมานะข้อที่ข้อที่เก้าผ้ชพูดถึงว่าสีหน้าจะผุดผ่องสีหน้าผุดผ่องนะหน้าเด้งหน้าไม่ต้องทำเบบี้เฟสง่ายนะนะสีหน้าผุดผ่อง แล้ อ, อย่างที่ก้าอย่างที่10นี่ก็ไม่หลงไหลทําการละคือตายหมายถึงว่าคนที่จะตายเนี่ยบางทีมีที่บ้านหนองตาแถวไหนโศกเนี่ยมีคนหนึ่งเป็นอดีตอ่าเป็นอดีตกำนันหรือขนาดเนี้ยนะเขาก็จะตา ย, เ, ยเขาก็มานึกถึงตอนที่ตัวเองเนี่ยเพ้อขึ้นมานึกถึงตอนที่ตัวเองไปฆ่าพวกที่ส่งยาปราบยาเสพติดนะนะไปฆ่าคนไปอะไรเนี่ยทำให้เขามีเขาเรียกว่าหลงไหลทําการละ คือฟุ้งเฟอ้อละเมอถึงตอนที่ตัวเองไปฆ่าไปทําไม่ดีขึ้นมานี่มีตัวอย่างหลายอย่างคนฆ่าวัวฆ่าควายฆ่าหมูเป็นอย่างนั้นเป็นเกือบหมดแต่ถ้าเรามีจิตเมตตาเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่ไม่หลงไหลเนี่นคือระหว่างที่จะตายเนี่ยไม่เป็นผู้ข้างเพอ้อก็คือมีสติอยู่ได้นะเจ้าค่ะ ใ, ใช่ใช่มีสติรักษาจิตตรงนั้นอยู่ได้เพราะาตอนตายเนี่ยมันสําคัญนะคุณตันจคือเวลาที่เราจะตายเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันจะ ไม่สามารถก้าวลงในกายนี้ได้ใช่ไหมจิตตรงนั้นเนี่ยสุดท้ายตรงนั้นเนี่ยนะถ้าเป็นจิตที่เป็นกุศลนะเราไปดีแล้เราจะไปสวรรค์หรือเป็นมนุษย์ขึ้นไปแต่ถ้าเป็นจิตที่เราไปคิดเรื่องไม่ดีเราไปคิดเรื่องแย่ๆไปคิดเรื่องถึงความบิดเบี้ยนเนี่ยคุณจะไปอยู่ในภพที่มีความเบิดเบียนเป็นธรรมดาแล้วคุณคิดถึงเรื่องความหลงไหลแล้วคุณจะไปอยู่ในภพที่มีแต่ความหลงไหลเช่นสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นภพที่มีความเบิดเบียนก็เช okay. ่นสัตว์เดรัานบ้างสัตว์นรกบ้างพวกนี้จ้ค เพราะฉะนั้นเราก็จะไม่เป็นผู้งุงงหลงไหลทำกาละใช่ตอนต้นี่ยสำคัญสาคัญมากจริงๆอีกประการหนึ่งข้อสุดท้ายนะก็คือถ้าบอกว่าเรายังไม่ได้เป็นระยะบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งยังไม่ได้เป็นโซดาบันในสกาทาคามีอาราคามีหรือป้ า, ารันเนี่ยก็จะต้องไปเกิดในพรหมโลกนะเป็นที่อยู่ของนะสิ่งมีชีวิตที่ประเสริฐนะเป็นสิ่งที่พรหมโลกเป็นพรหมมื่ั้นเป็นผู้ประเสริฐ พระเจ้าก็พูดถึงทั้งหมด11อย่างตรงนี้แตนะ่ถ้าใครหวังอนนี้สงตรงเนี้ก็พึ่งทํามาแต่แรกคือทำมาทํามาเตรียมการมาไว้ก่อนนะทําให้เจริญนะทําให้มากทาให้เป็นจุดยานที่เทียมดีแล้วหมายความว่ า, วารถยนต์เนี่ยนะกว่ามันจะวิ่งได้นะคุณเตือนใจมันต้องมีระบบกลไกสันดาปภายในระบบไฟฟ้าระบบส่งผ่านกําลังระบบเกียร์ระบบเบรกระบบโอ้ยมากมายกว่าจะปเป็นรถครันหนึ่งเนี่ยมันละเอียดมาก เราไม่ต้องพูดถึงรถยนต์รถอะไรที่มันขับปัจจุบันนะเอาแค่เกวียนเกวียนเนี่ยนะมีเทคโนโลยีมากนะคุณตนใจเช่นระบบล้อระบบการรับน้ําหนักจะมาระบบกลไกลที่หมุนตรงนั้นสมัยก่อนเขาไม่มีลูกเบืนเนี่ยเขาหมุนได้งไงใช้ไม้ลิ่มสหลักตรงนี้ไม้ที่มาทำล้อก็ต้องเป็นลักษณะหนึ่งไม้ที่มาทําตัวเกวียนก็เป็นอีกแบบหนึ่งมีเทคโนโลยีมากเกวีย น, นเฉยน ะ, ะก็ยังต้องมีการทําให้ละเอียดอย่างนั้น เช่นเดียวกันไอเวลาที่เราทําเจริญเมตตาเนี่ยมันต้องละเอียดรอบคอบทําอย่างมากทํำบ่อยๆทําให้ลึกซึ้งทําให้คล่องแคล่วเลยทีเดียวแล้วก็ทําให้เป็นเหมือนกับเป็นที่อยู่อาศัยของเรานะบ้านเนี่ยถ้าใครเคยสร้างบ้านนะคุณเดินใจโอ้รายละเอียดมันเยอะมากจริงๆเอาแค่กระเบื้องแผ่นเดียวนะมันมีได้หลายแบบทั้งอย่างหยาบอย่างใหญ่อย่างเล็กอย่างหนาอย่างบางมีหมดเลย นะระบบระบายนะ้ำต้องเป็นยังไงหลังคาต้องวางยังไงฝ้าทํายังไงโอ้โหมันไม่ใช่หมู่หมู่นะสร้างบ้านหลังหนึ่งแต่ถ้าใครเคยสร้างบ้านเนี่ยจะทราบว่ารายละเอียดมันเยอะมากเอาคลอนประตูเงี้ยเออเอาหรือว่าแค่วงกบเนี่ยคุณจะเอาวงกบด้านในด้านนอกประตูกี่ชั้นมันต้องวางแผนก่อนล่วงหน้าหมดทั้งหมดเลยในะเช่นเดียวกันคุณจะต้องเจริญเมตตาในลักษณะนีนะ้เราถึงจะไปรอดเราถึงจะใช้เป็นเครื่องมือที่ตั้งที่อาศัยเวลาที่ เจอสิ่งที่มากระทบและเราไม่พอใจได้ <Okay. S 1> มันมันเป็นเรื่องที่ละเอียดจริงๆเราเคยยกตัวอย่างของเมื่อปีที่แล้วแต่มาจาได้ที่เราพูดถึงเรื่องของบรรดาลตายใช่ไหมที่ว่าพูดถึงบุคคลที่เมื่อเขาถูกลงโทษอย่างเงี้ยอย่างเช่นเจ s ัสคริสอย่างเงี้ยพระเยซูคริสอย่างเงี้ยถูกเขาตีถูกเขาดา่าถูกเขาทําร้ายเนี่ยก็ไม่มีไม่มีจิตอาฆาตแตมีแต่จิตที่มีความรักความเมตตาคนอย่างเงี้ยน่าจะยกย่อง คนอย่างนี้เราควรจะสรรเสริญในข้อที่เขาที่มีคุณงามความดีข้อนี้เป็นเหตุเช่นในคว่ามบูชาก็ยกย่องคนที่ควรยกย่องแต่เพราะฉะนั้นในเรื่องเนี้เราควรจะยกย่องนะด้วยการที่ว่าเออคุณไปจุดทูบบูชานะกล่าวชื่อของเขาสิบรอบ20่รอบหรือวิ่งรอบสนามเพื่อบูชาคุณของเขาเนี่ยคุณไม่ต้องเลยคุณบูชาด้วยระบบที่เป็นนิรามิกษกน ะ, ะคือการบูชาในโลกมันมีอยู่2แบบเพื่อเนนใจการบูชาที่ด้วยเป็น <Okay. S 1> อามิตรใช่ไหม เป็นอามิตรนี่ก็คือการบูชาด้วยสิ่งของนะเครื่องอย่างเช่นเราจุดทุบบูชาเอาข้าวตั้งหน้าพระพุทธหวันะงว่าพระพุทธจะได้กินนี่ก็เป็นก็เรียกว่าอามิสบูชานะแต่อับบูชาอีกแบบหนึ่งคือเป็นนิรามิตรนะเป็นของที่ละเอียดไม่ต้องใช้สิ่งของใบนอกบูชานะการบูชาที่เป็นนิรามิตรอย่างเช่นว่าคุณพูดถึงความรักความเมตตาใช่ไหมคุณสุข ก, กัน ร, ระลึกถึงคนที่มีความรักความเมตตาคุณปฏิบัติเลย ในะคุณทาจิตของคุณเนี่ยให้เป็นจิตที่มีความรักความเมตตาเนี่ยเราจะไปรอดน่น <c oughs> จะเป็นจิตที่ดีมากๆล่ะ <c oughs> ทีนี้พูดถึงในตอนท้ายของรายการเนี่ย <c oughs> ก็จะขอสรุปเรื่องของอความรักความเมตตาตรงนี้นะว่าท่านผู้ฟังเนี่ยควรจะเอาชนะความโกรธควรจะเอาชนะสิ่งที่จะมากระทบเราเนี่ยด้วยความเมตตา คือที่พูดจะสรุปตรงนี้คุณตื่นใจเพราะว่าถ้าเราจะพูดถึงประเด็นที่ว่าถ้าเจอคนที่ชั่วคนที่มันหยาบคายในชีวิตเราเนี่ยเราจะแก้อย่งไรคิดว่าคงพูดไม่ทันแล้วเราวันนี้เราไปพูดพวกนี้ก็แล้วกันได้เจ้าค่ะ่ก็สรุปว่าสิ่งที่พระอาจารย์ทับุญอภิปุนโนโดได้เมตตาที่เจอสาษธ า, าหรือว่าสนทนาธรรมมาในเช้าวันนี้นะเจ้าคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักความเมตตาซึ่งพระอาจารย์ก็ได้บอกท่านผู้ฟังแล้วนะคะ ถึงแนวทางว่าจะต้องดําเนินอย่างไรแล้วเราก็จะต้องสร้างความรักความเมตตาต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเรียกว่าสะสมไว้แล้วก็ฝึกไว้เป็นประจำจนกระทั่งจิตของเรานั้นมีความเมตตาเป็นทุนอยู่แล้วนะเจ้าคะ่ะก็จะทําให้อาจิตของเรานั้นตั้งมั่นอยู่ได้ไม่ว่าจะมีอะไรมากระทบเราก็สามารถที่จะแผ่เมตตาหรือว่าเป็นสุดอยู่ได้นะเจ้าคะ่ะทีนี้ว่าไอ้เรื่องความรักความเมตตาจะเสริมตรงนี้นิดหนึ่งก่อนที่จะจบรายการเป็นการสรุปตรงเนี้ว่า รู้จักให้ทําบ่อยๆให้ซ้อมไว้ก่อนเหมือนนักดับเพลนะิงเนี่ยนักดับเพลิงเนี่ยเวลาที่เขาใช้ในการดับเพลิงเนี่ยตำรวจดับเพลิงเนี่ยนะใช้ในการดับเพลิงจริงๆไม่ถึง 3% าอรเซของพลา ง, งานเขาทั้งหมดคือไฟไมันไม่ได้ไหม้ตลอดเวลาทุกๆวันนะไฟมันไม่ครั้งๆมันนานๆไม่ครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นตอนที่ช่วงที่เขาไม่ได้มีการไฟไหม้เนี่ยเขาทำไงเขาซ้อมนะซ้อมเตรียมการเตรียมอุปกรณ์หน้าแรงต่างๆให้ดีพอถึงเวลาปุ๊บใช้งานได้ทันทีเช่นเดียวกันเมตตาของเรา เราต้องซ้อมใช้อยู่ทำเป็นประจำถึงเวลาโกรธจะงัดมาใช้ได้ทันทีอย่างนี้ถึงจะถูกต้องก็ค่ ะ, ะเรียกว่าพร้อมอเตรียมตัวเราให้พร้อมเสมอในการที่จะมีะจิตที่เปลี่ยนไปด้วยความรักความเมตตาต่อพุ้เจ้าคะแม้ว่าเขาจะเป็นศัตรูเราหรือว่าเขาจะเป็นคนที่ไม่ดีต่อเราก็ตา ม, มเราก็ให้โต้ตอบกลับไปด้วยการแผ่เมตตาให้ความรักความเมตตาแก่เขานะเจ้าค่ะใใช่ใช สาธุเจ้าค่ ะ, คะท่านผู้ฟังคะในเช้าวันนี้รายการธรรมารับอรุณจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้สักการะหรือว่าสนทนาธรรมะกับพ ร, าาระอาจารย์ไพบวุลอภิปุนโนนะคะซึ่งท่านก็เป็นพราาอะอาจารย์องค์ปาถกประจํารายการธรรมารับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ ะ, คะเราสนทนากันในวันนี้เป็นเรื่องของความรักความเมตตาก็เป็นการต้อนรับเดือนกุมภาพันธ์นะคะซึ่งก็ทุกท่านทราบกันดีว่าเป็นเดือนแห่งความรัก ในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วคราวนี้ก็จะพูดแล้วก็รับฟังท่านพระอาจารย์ภพบุตรภิปุโนพระอาจารย์ของเรานะคะได้อาสาักษาหรือว่าสนทนาธรรมะในเรื่องที่ตรงกันข้ามกับความรักนั่นก็คือถ้าหากว่าเราเกิดความเครียดแคลนจริงชังหรือว่าอะไรที่ฝังจิตฝังใจอยู่นั้นเนี่ยเราจะใช้ธรรมะของพระพุทธองค์หรือองค์พระจัมมัดพระพุทธเจ้านั้นในทางใดจึงจะทําให้ความรู้สึกที่ไม่ดีหรือเป็นลบ อาต่างๆเหล่านั้นหรือจิตที่ต่ำของเรานั้นเนี่ยยกระดับให้สูงขึ้นมาได้จนกระทั่งถึงการมีความรับความไม้ตาต่อผู้อื่นได้ในเสมอในที่ทุกขถานในการทุกเมื่อนะคะช้าวันนี้เราตรงต้องราจากกันด้วยเวลาเพียงแค่นี้แล้วละคะ่ะก็ขอนำท่านคนธรรมบ้านนะคะกล่าบนื้อบันการขอบพระคุณและกล่าบเนื้อบันทึการลาพระอาจารย์พิบูลอภิพุโนคะ่ะสิทธิเอกของพระเดณลหลวงพอ่อดรสะอาดิจุภาโสหรือท่านพระครูสิทธิปภกรท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศก ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะจนกว่าจะกลับมาพูดกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้เริ่มตั้งแต่ตีห้าเหมือนเช่นเคยค่ะกราบนมัสการขอบพระคุณเหนื่องสงูงเจ้า่าพระจเจ้าขาเจ้า่า